นั่งนั่งราสบารพบบ์พร้อ ม, ออ พ, มพร้อมพี้บุกบงพร้อมพรออกเดินทางอนักเสบียงผพร้อมอืม ว <Yep. S 2> mm hmm. ันนี้ไปใ า, า่ฝ่าเท้าพ่อนเลยพอป่าทด้แล้วไปลงผู้ติหาเขา วัดปาดาราิรมก็เป็นวัดทือไม่ถึงเป็นวัดเก่าแก่เดิมทีเป็นป่าช้ามีหลวงปู่ตือหลวงปู่สังคนที่เป็นเจ้าวาด ล, ละก็คือหลวงปู่เก้าวงพวกเราคงไม่ทันหลวงปู่เก้าวงไม่ทันมานดีแล้ว ดูคิดว่าดุมากมืไมดูทรรมบาวทีเป็นป่าส้าจริงจิงไม่รู้ว่าด า, ารานี้มาจากไหนเพิ่มน่าจะเป็นด า, าราเจวด า, าราจริงจริงม คุมของท่านหรือวางของท่านก็ไม่ได้อยู่ใ น, นันเพราะตรงนั้นเป็นปลายทางคุมของท่านอยู่ตัางหากทุกคนก็จอเป็นวางเก่าท่านไม่ใช่คุมของท่านต่างหากเจ้าดาราราจะไม่ใช่ตรงที่เป็นวัดจริงวัดปลายาขุดตรงไหนก็เจอแต่กระดูกมันเป็นปลายาต่อ <c oughs> ตอนหลังหลังจจรังปูกก็วงมรณภาพลูปพุตืกิก็กลับลงภาคอีสานลูปพุสังก็ย้ายไปอยู่วัดปัาทางก็คือมัดป่าเจริตือตั้งกับชื่อหลวงปู่ เดือดเอเรวัดปากทางวัปากทางสองมื่คือเข้าอีกเรื่งปากทางทางเขาน่ดข้างๆของวัดเจ้ารับประทานเจ้ารับทานไม่ไปวัดแรกเราต้องไปจริงวัดไม่ต้องเดินก็เป็นวัดกราหอดเก่ที่ วัดครูบาอาจารย์เคยอยู่เคยพักเคยอาศัยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบปกติหลวงปู่แหวนก็วัดเรากับหลวงปู่ดมเป็นผู้บารณีเอาไว้ทางเลยนทางเลยเรือของหลวงปู่ชอบเนี่ยนี่คือห้อยน้ำลื่หลวงปู่แหวนก็อยู่เคยอยู่ที่นี่ ก่อนที่ย้ายไปอยู่วัดอารัญอยู่วัดอรัญนอนแต่ก็ไม่สบายพระบุทองไม่สบายตรง น, นี้ข้ามไปช่อเลยก็ห้ามกันไปจัดเกินไม่ ง, งัดเดินเกินไม่งัดจึงโนตายนไม่ตังควงปู่โหนมารับหองเจ็บบาดปลายชีวิต อานนี้คือว่าที่เราไมา่ได้ไปไม่เจอิญยใดคือวัดสมัยหลวงปู่คำดีไปบุรณะพวกโบโสถ์ทุกสมบูรณคำดีเป็นคนแรบูรณดีคือหลงตาวรับพเจา้าอันนี้นะไปบุรณะเอาไว้สงองเสรืาสนาโบสถ์ที่เห็นทุกวันี้ อันนี้นวันที่สองวันที่สามเราไปทํปาบักเตียงก่อนเพราะว่าท่านพระปองเขากำลังชันข้าวไปถึงเขาคงะสญ่ชัข้าวคอยเดินขึ้นลงมาข้างบนโอ้เดินขึ้นเดินลงวันละรอบนึงบันไดห้าร้อยขั้ น, น, น, นไปกับพระพันธ์คัน กดทำปักเบียงก่อนก็จะไปกินข้าวเีปลายธนาคาอาจฉันเร็วหน่อยพีก็ถึงก่อนไปถวายคาลวะหงปูหลวงปู่ก็เป็นบุรบาจารย์องค์หนึ่งรวมสั่งวัดหลวงปู่เจริญเก้าสิบตุลาแล้ก็ตกาสิบบกเต็มตุลาที่จะถึงคือสิบสอง ตุลเราก็การศึกต็มัปองที่แต่ก่อนมูจิลนอนหลวงปูทังสุขเมื่อก่อนอยู่ไม่ก่อย <c oughs> เหตุที่ไม่อยู่ไม่ก่อยเขาบว่าไม่ก่อยเดินู่หลวงปู่สิมเราในกันนาที่ตามราอยหลวงปูมันตามประวัติ หลวงปู่ได้ทําที่นี่ตามประวัตินะรู้สึกลูกหาดลุ่นหลังเราหลวงปู่ทางศุภเป็นต้นเข้าไปอยู่แม่ก่อยนอนตอนหลังย้ายพิวานารโยตลงปู่ไปบุญย้ายจากลําปางไปอยู่พยาอยู่วัดข้างล่างก่อนวัดนะรัตนเดียววัดล่าง แล้วก็ไปอยู่หลั ก, กวันะเยาวอต่างชื่อแลก็อดดอยปุษราคำเรือนาฬิวปัจจุบันนี้บุตงสุก็ไปอยู่วัหลวงปู่เวบุญเป็นสาธรรมนินดันบุตงสุขก็าสิบเอ็ดปีนี้อายุเก้าสิบเอ็ดก็คือเก้ากันยาในตุครบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดถึงยังเก้าสอง อันนี้รุ่นที่เรายังอยู่ทางหลวงปู่คาบอกหลวงปู่คำบอกก็ไม่ไหวแล้วติดรุ่นไม่ปังรุ่นแล้วอันนี้คือบุรบาปจารย์ของเราขค่ทางเราจะไปออกแก้วทำปักเพียงก็ทำพับกล่องทำพับกล่องเมื่อลุงปู่ออกจากวัดเราวัดสามนิคมหลังจาวเรียก หลวงปู่ท้องอินเขียนจดหมายหลวงปู่ท้องอินอยู่ทำป่าเฉลิยป่าแดดเชียงรายอยู่รวมๆกันหลวงปู่สังเป็นต้องอยู่รวมกันอีอหลายองค์ที่เคยอยู่รวมกันกับหลวงปู่ท้องอินเราลุนลุนป่าแดดทำป่าเลิยไปกันหมดเราะหลวงปู่เราทั้งอยู่กันใน97 ก้าสิเปดอย่างบุกเกิดกัลกัะดาบกกุกกัลกะะดามุูเวียนองเกิดมกะลองเต็มมรภาพกะลกัะดาเพราหลังจากนั้นเราก็ไปท่ามพาพึ่ง ทำบพาเพื่งนี่ก็เดินถือไม่มีอะไรมันเป็นท้าย ห, หมู่บ้านแต่ว่าหลวงปู่นี่เอาจริงจังเรื่องภาวนานเรื่องงานหลวงปูบ่บูญจันทร์บูญจันทร์ทำบาเพื่งหลวงปู่บูญจันทร์เป็นคนขอนกันเคยอยู่แต่ไม่เค ย, ยจรภัษา ไม่เคยจะมาศาษาเมื่งก่อนทางตวลรกันดานลำบากหลวงปู่บุญจันท์ปฏิปทาท่านละ mm hmm. เอียดเยที่ยงเรื่องที่พวกเราควรจะศึษาเรียนรู้ก็คือหลวงปู่ท่านทั้งนี้โยมเอ เข้าอยูนในมาบดด้วยไม่จุดด้วยในขณะที่ทำภาปเพิ่งยังไม่คป็นถ้ำเป็นทางที่ท่อนกระเจาะตกลงจากถ้ำย่างะฟครับ้ผสมัยโบราณ น, น้นงก็ตกจากถ้ำน้ไม่มีมูยาก็ย่างไฟผมใช้ปืนใช้ไฟลงย่า ง, างเรียว่านั่งจมูก โยมแม่ของท่านมีคนหนึ่งสติไม่ดีก็เพราเจาาสติไม่ดีวันหนึง่งไปทำ้ายไปทุงกีโยแม่กินเตาถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราตอนนั้นทาเราจะทำ ตรงปรู่ท่านเล่าว่าท่านก็เกิดปาลสิทิ์ไปาาแล้วเกิดปาลสิทิไปแล้วแม่ก็ดูดูโดนทำร้ายตอนนัานช่วยอะไรไม่ได้จะตายจะจะแบบมันชีวิตตัง้งแรกโดยชีวิตเชีออ่ยวขีดมันต้องฆ่า ม, มันได้ โบกวขว า, าดได้ได้สติได้สติใมาเหมมันก็คุะตาให้เป็นครูเลยลูกทุนโบเกิดอะไรขึ้นฮึไม่เข้าใจตีกันเลย อืสรุปกนไม่ได้ทำอะไรจากมากขึ้นมาก็ได้สตุได้บ้า อ, อันนี้คือประวัติและปฏิบัติทางก่อนชมพูอดทนนุ่มอดทนมากไม่อดทนธรรมาดาต่าเพราะคันตื่นทางกายมีครั้งหนึ่งเป็นแนน้อย อะไรยังเป็นเลนสลาเราเนี่เป็นไม้เป็นไม้แล้วก็เป็นแท่นเหมือนพุทธรูปเหมือนอักษรมพุทธรูปแล้วก็รอบๆมันเป็นหน้าต่างเป็นบานเฟีร์เป็นไม้ข้างนอกเป็นโลง่โลงๆก็เป็นที่อยู่ของกดแจมสินหลวงปู่ ก, กมาครับรักษาตัวอาการ โลละกับพ่อพอโลหายเป็นเลดเพราะผ่าตืดเสร็จแล้วหมอหมอะจะกินยาหมอครับว่าฉันจะต้องฉันอะไรก่รที่จะกินยางพยางงยาอะไรยาหลวง พ, พ่อ โราปู่ยังไงก็ไม่อยอมไม่อยอมฉันคูกฉันแค่ฉันอาหารฉันอะไรเป็นลองท่องบอกท่านอับห้องยังไงท่านก็ต้องฉันสรุปว่าหมอไปแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่แล้ถอดสายยางกลับมาวัด ปูใจแข็งเท้าใสยางคำว่ามันนอนแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำชากาหมากากระต่าใสมัยก่อนนี่ดีที่สุดแล้วได้เป็นกระป๋องกับน้ำอ้อยน้ำอ้อยก่อนต้มถั่วลงปูมี่คือประวัติเโชยอ่สนใส ขอหลวงปู่ว่าภายหลังท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพคงเป็นอัมพากอัมพาต พ, พูดไม่ได้เดินเหินไม่ได้ความอดทนหลายคือก็จะนอมงระ่าดไปมภาพที่หัว ล, ลักเข้ไปแล้วกัตัวที่หัวลากนั่นคือทำบาพิ่ง อพรมันมันเกี่ยวมันปลูกพันกันอยู่ถ้าเราไปไปสำหรับคนที่ไม่รู้ก็เราให้ฟังคร่าวๆหลังจากนั้นก็ลงมาก็ไปสเปนสมัยก่อนบ่อน้ํามันจีเรียวั่น้ํามันเพราะว่าวัดมันอยู่หลังบ่อน้ํามันฝังเราเรียกวัดบ่อทำจริงๆวัดจริงๆมันอยู่ตรงบ่อน้ำมันวัดกลางจริงๆมันอยู่ตรงแต่ว่าเนื่องจากเป็นเขตทหาร เป็นเสด็ทหารทหารก็เาชาวที่แล้วทงอะไรไม่ได้ก็าย้ายไปอยู่ข้างบนกอให้ยึดข้างบนก็คือปัจจุบันนี้้แลวเรยวบอรมันฟังตอนหลังเร็วน้องพัก น, น้น mm hmm. เดิมเกี่ยวสัรระกอตั้งเชื่อตามหมู่บ้านหมู่บ้านสนรรพก อ, อก็มีชาวัดมาหลายงรายลุก mm hmm. เราไปก็เจอไป รวมตัวกันทีน่ น, รรนั่นสมัยก่อนคือไปคารวะเป็นรถบัสอะนะเมื่อเราไปไงาชอบรถบัสเลก่อ น, นไปไซฝ า, างก็ไปคารวะมันปวยอนนึก็ชอบรถบัสตรไปทุกปืเบื่ชอบคารวดก็ไปสึกกินข้าวกลางทางทางสันทาย ต, ตอนนั้นเป็นเด็กจำแล้วแค่ไหนจะรู้เป็นรถบัส ทั้งไปรถบัสไปคาราวาเสร็จก็ขึ้นออกไปทางปิงค้งตอนมาทางเชียงดาวท่านบอกปองลงปู่ไปยแยกลำบากอะไรก่อนแต่หลวงปู่ก็พาไปตอนที่เราไ ป, ไ ป, ไปท า, ทากันอยู่นะก็หลวงปู่ท่านพาทามาทั้งสมัยหลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่ศรีบุตรหลวงปู่องอินไปคาร า, าวาจาู้อาวุโสหลัก ประมาณนี้เป็นปีนปนที่เราเราทัา้งหมดทั้งกับไปหมดแล้วมันก็เหลือปุบุญจันทร์เจ็ดสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบแปดุบุญจันทร์มาอยู่เชียงใหม่ <c oughs> ถัดเป็นขาแล้วเราจะเป็นเนินอยู่ เป็นๆหลวงปู่วันจันมาอยู่เช่ยงอหม่ปี2518แต่สลาหลังเก่ายัางไม่ดีเจดียังสร้างไม่เสร็จแต่เรามาอยู่เช่ยงใหม่ปี17อยู่ก่อนหลวงปู่ปีห น, น, นึ่งคุยได้เลยมึอยู่เชียงใหม่ก่อนมาอยู่ยังเจ็ดไปน้มั น, น, นมก็เห็นกันหมดมันก็ทนกันเราพระอาจารย์รุ่นเก่เา ที่แต่ว่าไม่มีถภาพถ่ายเป็นหลักฐานดัานอื่แมนะ้แต่กั บ, บ, กบลูกปู่ศิมเราไม่เคยถ่ายรูปกันลูกศิลป์น้าปวยไม่เคยไม่เคยถ่ายรูปเขาถ่ายถ่ายเสร็แล้วก็เดินนีไม่ค่อยชอบถ่ายรูปก็เลยไม่มีภาพอะไรของเขาเลยก็เลยไม่ได้เป็นลูกศิษย์เลยคือเราไม่มีภาพก็ได้เป็นลูกศิษย์แล้วมีพยานอ้างและวไม่มีหลักฐานพูดไปเขาก็มีเชื่อ ก็ไม่ม you ีหล <ock> totally ักฐานมีหรอไม่หรอไม่รออืมอืมตัวเล็กเมื่ก่อนตัวเล็กอืมไปบินทาบาล์เขอด่าประจําไม่ใช่ไม่รู้เกิดบัตรเดินหลังเื่อน่ะบะบินทาบาลเรานี่ เมื่อก่อนไปเป็นสายมันยาวไปสายถึงทั้งเกิดไปกัดรถก็โดนวัดคณะใหญ่เขแถวๆนั้พ่อเราอยู่เวทายเกินตอนนั้นยังฟังฟังไม่ออกมาอยู่หพนน้อยพ่อให้หนังอะไรพอพนน้อยพ่อให้หนังอะไรผมาถามาถามก็ถามว่า พ่อคิดอย่างไปถามว่ากลับมาว่ากระถองนะพ่อเธอเชื่ออะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เขาดอดมพ่อหน่อยพ่อให้ยังเจยว่าพ่อเขาเชื่ออะไรหรือเปล่าก็รู้ไม่ได้โกรธพ่อไม่โกรธอืมพอรู้ความหมายเอาแล้วนะตอนไม่รู้ความหมายไม่เป็นไร นี่เจอเ อ, อเป็นอย่างนี้นะพอรู้คงไอ้เพื่อเป็นคําดานเอาแลก็ไม่รู้มันคืออะไรมันพูดหยอกพูดจริงพูดอะไรก็มันก็ไม่น่าจะหยอกเลยของเดินประจ า, ามใส่กัดวรสุ่มกันเดินเดินเดินเดินชนเราเฉยเดินกระเด็นตัวเล็กไม่จัง เดินจากนี้ไปกัดช้างเผือกกัดช้างเผือกไม่มีใครองมีคนๆไปกัดสมเพลตกัดสมเพลตอ้อมไปกัดหลวงเยาะกบคุนเรย ว, วขวาไปพบเจอเมื่อก่อนกําแพงไม่มีไปได้อยู่แต่ถ้าแพนได้สองสัดเก้าไปได้สลัมของเจ้าหนึ่งได้ได้เชิมเจ้าสลัมของเจ้าหนึ่งแล้วก็ตรงกมน้ำมันเจ้าหนึ่งหลัง โรงแรมซูมิตลำแดมบุนตืออีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เชียกลางเวียงที่เจ้าของรูปานร้านนา้องผู้เจริญกุศลผู้ น, น่าเชยงใหม่บ้านเขามีคุ้มเป็นได้ที่เชียกลางเวียงนิดหนึ่งก็กลับมาตรงยุพราชอาชีว่ากว่าจะกลับถึงวันปแปดโมงแปดโมงกว่า อืลำบา ก, กามากกวนานะแกี่ยวกับศัตยธรรมเราก็ได้กินเพราะว่าศัตยธรรมนะี่ยมันมันหลากหลายคือคนที่อื่นมาอยู่ภูมิเทศเกิดที่นี่เป็นวัดเราเกิดก่อนแล้วชุมชนตามมาทีหลังพราะปกติแล้วถ้าเป็นวัดเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านเน่ยตั้งชื่อตามเรา วัดเกิดก่อนอือวัดเกิดก่อนแล้มันเกิดทีหลังเมื่อก่อนเปรียวแถวนั้นเปรียวบ้างสีเราแดงนีงไม่กล้าไปเลยม่กนะล้ามองปรยวอันนี้คือคร่าวๆแล้วก็หูวงพอเปโลดผู่เปโลดมาเป็นคนส่วปฏิโมกใช่ไหม ทำไม่อนสวดอย่างไม่มีรถนะเดินลงมาเดินลงมาอืมทำไมได้ปุถิดลงมารู้สวดปฏิโมก็ปุถิดปฏิโมกเมื่อก่อนพระปฏิโมก์ ม, กมีนน้อยก็เลยเป็นธรรมเนียมเมื่อก่อน จะมีพระใหม่ทุกปีเราก็พาพระใหม่เดินเดินขึ้นแจ็คติดดอยคนที่จะสึกออกพรรษาและคนที่พระใหม่จะสึกก็พาพาเขาเดินเมื่อก่อนน้ําเยอะเยอะมากไม่เหมือนทุกวันนะ่ะแต่วันนี้แห้งหมนแล้วนะเช้าเขาเสร็จก็เดินจะถึงดยอยปุยมันจะบายสองบ่ายสาม หมดสภาพแล้วบาซาหมดสภาพแล้วแช็ง้าไม่ไว้แล้วแล้วก็เดินลงมาอันนี้คือสมัยก่อนลอยกอง ค, คือวัดเราทล้วก็เป็นเป็นเสาหลักเมื่อก่อนสมัยหลวงปู่ท่างสอนหลวงปู่อยู่ที่วัดเจหลวงมาฟังเทศวัดหลั ก็เดินมาฝังเทตกันมาเดินมาก็คึ่งชั่วโมงถึงแล้เพราะฉะนั้นตรงในวัดเรานในประวัติสุดเด็ดพิมพ์ได้บันทึกไว้ว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นปาะะ่าละเมาะหมายถึงสมัยหลวงปู่มั่นอยู่ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเคยมานา้ำสวัสดีเช่นนงแต่ก่อนเป็นปาะะ่าละเมาะไม่ได้เป็นวัด ยังไม่ได้เป็นวัดวัดเราก็ตรงมีตำรามีตำรับแล้วหลวงปู่สิม์เราขอที่เป็นปีวัดนานเนี่คือไปไปภาวนาทำฤาษีเด็กขึ้นเดินลงออ ก, ก็ดูดที่หมายน้องน้อหลวงปู่ใจเอาเนาะใครเคยไปทำฤาษีบ้านงะ เนี่ยเดินขึ้นเดือนลงขณะนั้นไม่แปลกตอ น, ท, นท่านไปอยู่ปัะเปียงข้างล่างแต่เดินขึ้นไปทำพระป่องซึ่งไม่มีทางเพิบแค่เป็นดึงขุดมาเป็นขั้นขั้นขั้นข้นไม่ได้เป็นขั้นเป็นตันบนเรียกที่เราเห็นนี่ฟันหน้าผนอย่างนี้ก็เดินดีแล้วก็คนจำเปานี่คือครูอาจารย์นี่เป็นบรุรพาจารย์ แล้วก็วันสำคัญวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นมาฆาอสักก า, าอาสาระ ห, หรือไม่ก็ปันกระถิ่นอย่างนี้ทั้งอสองสามกันก็จะสว่างมีต้องปูจันทร์โบกจันทร์ทำแบพนี้ปูนูปูนูปู ห, ปหปลวงลปูแวน เรูผสิมกระั้งฟังเราจะกระด้างฟังต้องฟื้นบางอย่างแล้วก็รักษาปฏิปทาหลวงปู่เอาไว้หลวงปู่อยู่ในที3ศาลผมก็ตื่นแล้วใครที่บอกว่าอุปัญหาที่ดีคือตื่นก่อนนอนทีหลังนี่คุณสมบัติของพระอุปทาน ตื่นก่อนนอนที่หลังถ้าจะตื่นก่อนหลวงปู่ตื่นก่อนตื่นหลังนอนตื่นก่อนนอนที่หลังนอนแต่หลวงปู่นอนเท่าไรสรุปอุปถาคนอนไม่กี่ชัว่วโมงคุณสมบอุปถาพอมันต้องเตรียมน้ําอุ่นเรือชําระไม้สีฟันดา ส, สีฟันเตรียม เรเป็นน้ำอุ่นหมนทุกู้แหวนมันกันยั่งกันนะตีสองตื่นแล้วหนักกวาอีกตีสองเตรียมจัดที่ชันนนนานาน้นกย่นี้น้ำถ้วยเปลืกกาน้ำกระติกน้ำเตรียมก่อนแข่งกันแก่งก็ทำเกียบัตเอาไวจังก่อนมาถึงมยุคโกเราโอนหกโมองอยังไม่ตื่นเลย ื <c oughs> ออเมื่อก่อนหน้าหนาวเลยหนาวจริงๆหนาวมากมากไย่ให่นาธรรมดาหนาวโอ้ย ส, สมัยก่อนมันก็เส้นสายเดียวกันก็รู้จักมาคุค้ น, นกันหมดเลยว่าถึงกัน นี่เราให้พวกเราฟังข็พๆซึ่งปัจจุบันก็ยังมีวิตจยูกับาลปู่เจริญหปู also, ies, <c oughs> ่ศุขหลวงปู่คบอกที่ติดารหลปู่นอนกันรุ่นหลังปู่คาบอกรุ่นแปดสิบปูทวีก็ทีหลังมาถึงลวงปู่ลปูประสิทธิ์ก็เขาามาปีประมาณรอแปดหร้อเก้าก่อนนน้นนั้นก็อยู่สลวงวัดาสลวงก่อนที่ก่อนที่ หลวงปู่ประสิทธิ์ก็อยู่สลวงเขาลงปู่เปลี่ยนปูน่เปลี่ยนไปอยู่สลวงมาก่อนก่อนที่ไปอยู่ก่อนที่ไปอยู่บันปงเกลันรเวร์กวนีเอามงบันปงก็อยู่สลวงมาก่อนหปู่ประสิทธิ์ก็อยู่สลวงเราก็เป็นแน่นอนปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าอยู่สลวง ปีหนึ่งเก้าิศลวงก็เดินจากห้วยน้ำเลนนี้ไปตัแต่ตัดแต่ต่อแต่ไปตะโกนวันนะั้นนไปยังมีทาบ้านก็ชักดังพะ น, น, น, น, น้อยไปไหนตูนและของเพื่อนภายบาดก็ะสีไปเสพะน้อยไปไหนเอาไปพักที่สรวง ก็ไปเรื่อยๆห้วยส้มสุกก็บัดศรีลอยพักไปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลองลงประบาิศรีรอยก็ไปที่หลวงปู่ชอบอยูม่มันก็ใกล้กันเส้นทางเดียวกันแต่แต่ว่าทางรถลาสะดวกสบายมันไม่เหมือนเมน่อก่อนวัวแอร์ตอนนั้นอยู่ ปาจีนอยู่เลยมาทต่หลังตัวแอเป็นรุ่นที่อยู่ยปาจีนเรียนงสือที่ปาจีนแล้วก็โคราชโยคราดแล้วเขาอยู่ปาจีนรุ่นที่เราอยู่อยู่ฉลวงมีเทภดาก็ทำศึกภา ไม่ค่อยได้เพราะว่าเพราะว่บาบ้านเขาไม่ค่อยถูกกันไม่คก็ถูกกันวัดบ้านเพราะตอบาก็ต้องรับรอง อ <c oughs> เดี๋ยวเราหวันหลังเขาไปฟังมันยึดกับโมกันเลยว่ า, ห, วาวหลังเขาไปฟังของเราลุมที่ชั้นล้วงก่อนเพื่ อ, เ พ, อ, เ, พอเพื่อว่าเขาจะทําประวัติที่ชั้ลวงเป็นแน่น้อยนตงารงศาลาศาลาที่เป็นโบสถ์ทุกวันวันมีโบสถ์กับศาลาตายันเปลี่ยนโบสถ์ไม่มี มีกุฏิหลังก็เก้าหลังนึงแต่ก็ต้องห้อยชันมาเนที่ร้างบาดที่ห้อยฉันที่กุฏิใหม่ทุกวันแล้วก็บอ่อน้ําอยู่ข้างล่างนู้ต้องลงไปตักข้างหน้างแล้วก็หามกันมาขึ้นมาบนหลัมีบอ่อเดียวน้าบ่บุ่งเ ป, ป็นฝางหนึ่งก็ไปตักตามใส่กระถางกุฏิเยอะกันไม่เยอะกก็มีกุฏิหลังหนึ่งที่ข้าง ที่เราไปที่เป็นศาลาทุกคังข้างโบสไม่ใช่ตัวโบสนะตัวที่หานไปศาล า, าตัวที่ปกติเขาเกาล้างหนึ่งลังปกตที่มีไม้แดงไม่รู้ทุกวันยังอยู่หรือเปล่าก็แค่เนียนน้อยไปอยู่ตัวนี้แหละพอเช้ามามาันไม่มีใครอยู่ประจกักษ์เลยก็มีแต่พระจอนแต่อยู่มานานแล้วแต่ นน้อยเมื่อคืนฝันดีบ่ก็มาเดี๋ยวถาปกติผมไม่อะไรว่าได้ฝันยังครับผมเพราะวนนี้เช้าอ่าล้วายน้อยเมื่อคืนฝันดีบ่ก็ว่าเป็นอย่งนี้แต่ว่าเอไมต้องถามฝันเกียงปรากอว่าท่านลฝันตุ่ไม้ไม้แดง มีชายหญิงคนหนึ่งแต่เขารักแต่หนึ่งแล้วโดนขีดกันก็เลยมาทำอัตบิบาัตรเงนันแล้วเขาเล่าอร อ, อยฟังุดตอนเย็นเดือดร้อนมีน่าอะไรมาําอะน้อยฝันดีป๊อืม เลยว่าคนกับพระแฟนกับกลัวผีอะ้รของคู่กันมาเจอนอนหลับนอนไม่หลับเปล่าก็จุดเทียนฟืนไฟไม่มีมาก่อนจุดเทียนใช่ก่อนไฟฟ้าไม่มีใช่ทืีว่าอันนี้คือประวัติคร่าว วัดสลัวมันก็น่าจู่นะเมื่อก่อนเงี่ยวัดเก่าก็เป็นทางผ่านที่สุดใครจ่ ไ, ไปห้วยส้มสุกจะไปพระบาทสี่ลอยต้องตั้งหลักเป็นทางผ่านมันจะเป็นพระไปพระแดงที่หลวงปู่ชอบอยู่มันเป็นทางผ่านไปนั้นครูบาอาจารย์ได้เจอบ่อยที่สุดก็คือหลวงปู่ชอบก็าทันจะไปพักเที่ยวในน้ำดินก่อน จะขึ้นพาแดงขึ้นไหนท่านเจะไปพับที่กุฏิถ้าเข้าไปกุฏิท่านมันจะอยู่ซ้ายมือของบุตรตัวนึุดกีฏิเก่าท่านจะอยู่ซ้ายมือของบุตรล้วของผัวแหวนจะอยู่ขวามือยื่นยื่ด้านหลัง <c oughs> เราไปฟังว่าอูครูอาจารย์สมัยก่อนนี่ไม่ธรรมาดา อ่าพอ้อมปามหอคอกันเข้าเรื่องเราไปด้วยกลัวผีกันแล้วเรียกว่าผีอืมอืม มันกลัวจนไม่มีอะไรจะกลัวมันกลัวจนเกิดความกล้ากับคนเรากลัวที่สุดจนมันเกิดความกล้าเกิดความกล้าคื อ, อถ้าวิ่งก็เป็นบ้าถ้าวิ่งไงก็เป็นบ้าคือขึ้นศาลาก็ไม่ได้กลัวทันเข้าบ้า น, นก็กทันจะวิ่งไปเรื่อยๆประสายตายอะไรบ้างเลยเลอตาอคือหยุดไม่ได้ ถ้าวิ่งเราหยุดไม่ได้หรือสะตืเต้นอืมไม่จะไปเลยก็ขึ้นสาราก็ไม่ได้ที่เราเรียกใครกันไม่ทันมันชอ็อกผู้ไงคือชอ็อกพอลชาสติไม่ดีโอลำบากพวกเราน่าจะลองไปกลางกดกว่าช้าทั้งวัน ลองลาดูลาดูสักทีนะหลวงพ่อจะไปก่อนเพื่อน อสองาทรมาทีละเขาลืมเปเป็นเที่ยวก็เป็นความรู้บางอย่างเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องเก่าแก่ถ้าหมดรุ่ น, นี้ก็ไม่รู้ใครจะไปรับฟัง คุยใหมใช่ไหมทั้งหมดทั้งปวงที่เล่ามาลององภาพรวมครูบาอาจารย์ที่เราเิญโดย <Okay. S 1> ท่านกัลวนเกิดการกศึกษาเรียนรู้ไปประดิษฐ์สิ่พาะะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ ศาสตร์สาสรของเรามีไม่ได้ับเลยทยี่ต้องเรียนรู้ถ้าลงมือปฏิบัติจริงๆก็มีสักอย่างมันก็คือใจสีข้าแต่ถ้าเป็นในภาคปฏิบัติก็ตัดออกได้เลยก็คุยคุยเรื่องสามเรื่องก็ใจสืข้าแร้ว ในเรื่องของจิตสินงสมาที่เป็นรองพรับพวกงงจนติดปากจน้รักางสิ่สํนปัญญาเนี่ถ้าเป็นบงคมแล้วจิตอยู่ตงรงกลางเพื่อที่จะอบรมจิตเริ่มต้นจากสินสมาธิปัญญา ในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรตรันกล่าวเอาไว้สิ่งนี้เป็นเบื้องต้นคือเป็นปัจจางวิริยุตเป็นใหญ่สมาธิเป็นประมุขทีเ่เป็นหัวหน้าปัญญาในเป็นยอดนินสัยสารีบุตรตัดไว้สันสัน ทนี้เรามาเอาคนนี่มาล้อมเป็นวงกลมโดยมีจิตอยู่ตรงกลางก็แปลว่าจิตถ้ามันไม่มีศีลมันจะเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรจิตที่ไม่เป็นสมาธิคือไม่นิ่งไม่อยู่กับอารมณ์อะไดอันหนึ่งเป็นอารมณ์คือไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์สภาพจิตจะเป็นอย่างไร เพระนั้นเบื้องต้นในภาคปฏิบัติท่านจะตัดออกเลยคำว่าสินเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันเป็นศินทันทีเลยแทบไม่ต้องพูดถึงว่าสินคืออะไรเหมือนตอนนี้รูษ า, าสตร์ใศาสตร์ว่าจะตัวเองได้ก็คือสินนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจะเริ่มที่จิ ต, จ ต, จตเริ่มที่จิตจิตก็คือเริ่มต้นสมาเริร่มต้นสติ จะก็ว่าสติสมาธิปัญญาสตินี่ก็เิบเป็นอย่างทั้งสามอย่างสติสมาธิปัญญานี้ถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่เป็นสามัคคีกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เพราะว่าสามตัวนี้สามคำนี้เขาช่วยกันสนับสนุน ในกนรารปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันสติสมาธิเป็นอย่างเพื่ อ, อบรรลอมจิตทำไมต้องอุรมจิตเพราะว่าจิตนี่มันมีทั้งจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็น อ, อกุศลและจิตที่เฉยๆถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิ ให้ปัญญาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตตัวเองสุดท้ายถ้าจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าจิตที่เป็นอกุศลพวกไนจิตที่เป็นบาปจิตที่มันคิดชั่วโดยที่ไม่มีอะไรควบคุมคือไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาควคุมดูสภาพใจว่านจะเป็นอย่ะไรแต่คิดเป็นโจร จิตมันก็เป็นโจนพรพ้นเป็นได้ทุกอย่างเรียกว่ า, ากุศลธรรมในกณะเดียจิตที่เป็นกุศลมันก็ไม่น่าจะแต่ทำอย่างไรกุศลนั้นเป็นต่อยอดต่อไปถ้าไม่มีปัญญาเพราะปัญญาคือยอดมันก็ไปไม่ถึงยอดคือไปไม่ถึงปัญญาสมาธิเช่นเดียวกันถ้าจิตมันไม่นิ่งไม่มั่นคง มันวันไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันกระทบเกี่อนผัสสะที่มันเกิดขึ้นถ้ามันก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจิตมันฉลาดแล้วจิตมันเป็นหนาจิตมันฉลาดแล้วอาจิตเ น, นี่ยจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วคือฝึกดีแล้วอบรมโดยอะไรโดยสติโดยสมาธิโดยปัญญา ช่วยกันอบรมสั่งสอนจิตดวงนี้ให้มันฉลาดให้มันดีขึ้นเพราะมันต้องเที่ยวในวัฏสงสารนี่มานหนามมันเจอภาษาละพักควบรวมโดยสติสมาธิปัญญาควบรมจิตมันฉลาดเป็นกุศลจิตมันเป็นกุศลมันฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำนี่เชื่อมกุศลนะจิตเป็นกุศลสติพร้อม คือจะยกระดับจิตให้มันสูงกว่าเก่าดีกว่าเก่าก็คือพัฒนานั่นเองความหมายคำว่าพัฒนาคือเจริญรัชรพาวะเนียงก็แปลว่าเจริญคืทําให้มีทำให้เป็นตั้งแต่ขึ้นขึ้นเจริญขึ้นกว่าเดิมจิตที่มันจิตเดิมอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเก่าให้มันสูงขึ้นกว่าเก่าด้านการภาวนาคือการยกระดับจิต ของตัวเองให้สูงขึ้นกว่าสัตว์คนและยร่งการนั้นคือมนุษย์ในคําาสูงคือจิตมันสูงไม่งั้นจิตมันต่ําเพราะไม่มีสติกํากับเมื่อใดก็ตามจิตที่มันขาดสติคือไม่มีสติกํากับเราจึงเรียกว่าประมาทพอประมาทมันเกิดขึ้นอืเพราะฉะนั้นตัวนี้นนจะเปตัวฝึกตัวขน ตัวฝืนสอนให้มันฝืนสอนให้มันรู้จักธรรมชาติโดยสภาวะเป็นอย่างไรเราจรึงเรียกว่าทรัพย์ของวะของจิตเพราะนั้นถ้าจิตไม่รับการอบรมโดยการใช้ฝึกให้มีสติสมาธิปัญญาแล้วจิตดวงนี้มันก็จะอยู่กันขั น, นย่ัน น้อยความฉลาดมันจึงกายเป็นจิตที่เป็นข้อมงอด้วยอกุศล น, นานับประการมาอกุศลเกิดขึ้นความเศร้า ม, มองไม่สามารถเยียคยาตัวเองได้ยกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเช่นเดียวกันถ้าพระสองโอเน์เราฝึกสติสมาธิปัญญาฝึกเรื่งนี้มาถึงมีจนมีสติ สมาธิปัญญาเกิดขึ้นคิจิตมีสติปัญยาเกิดขึ้นมันคงไม่ทำกรรมไม่ดีอย่างที่มันเป็นเ ป, นเ ป, นเปนอยู่ทุกวันนี้ผมแสดงก็ บ, บรรกมา40ปี50ปีสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในใจเลยรู้ได้อย่างไรมันไม่เกิดขึ้นในใจเพราะมันแยกรูปแยกนามไม่ออกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม รูปเสียงเกลื่นรัตผะพระธรรมารมจนเป็นเครื่องปรุงจนจนคุ้งตองทำให้จิตเรานะปั่นไหวไปตามเนี่ยรูปไปตามเสียงไปตามกลื่นไปตามรถเพราะขาดสตนะิกลับมาที่เดิมกูขาดสติที่ขาดติเพราะสมาธินี้นั่นคงวัโดยอุปการะคดีคารณิกาคดีหรืออะปรนะคดี มันไม่มีของของคือไม่มีความเป็นสมถะสมถะคืออุบายทําให้จิตมาสงบมันไม่มีหรืปรสนายคือกุศโลบาย่ให้เกิดปัญญายิ่งไมปทำไมพูดเพราะคือมัน ม, มีความรู้แจ้ง จ, นจนริ ง, งตามความเป็นจริงรู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงในที่นี้คือรู้ขันห้าคือรู้จักรูปรู้จักเิน แยกกันไปทีระตัวเพราะสุดท้ายรูปกับนามเขาไปแยกกันอยู่ไปรูปเขาก็สลายไปตาคเขารูปก็คือดินน้อยไปเรยโดยสภาวะนามก็คือเวทนาจากันเหมือกันเพราะนั้นการยึดรื อ, อุปาทานคือการยึดการติดดู อ, อุปาทานยึดนอะไรก็ยึดใ น, ดในขันห้าเมื่อเราไม่รู้จักกันหา แยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรก็กลายเป็นเดียวกันไปหมดมันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าจิตที่เคยฝึกดีแล้วก็จะแยกแยะออกฝึกดีแล้วคือฝึกจนกระทั่งเห็นสภาวะทั้งหมด <c oughs> เห็นอะไร <c oughs> เห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปสภาวะนี้เรือเรือวัดใจละเพราะนั้นอารมณ์ของไม่ปัะสงค์ ยอนก็ต้องเป็นอารมณ์ความใจลักษเท่านั้นคือเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่และการดับไปของสรรพสิ่ง healthcare. ทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกนั่นคือปรุงแต่งของเราเช่นเดียวกันถ้าเรารู้เท่าทัานรู้ก็คือเป ส, สติอารมณ์ระลึกนึกคิดเม่ได้สมาธิและแจ่จจมว่าใจจะมั่นคงนเกิดปัญญาคือรู้ตามความเป็นจรงิงและเขาก็อยู่ตามความจรงิงของเขา ก็มันถือด้นดินเป็นดินน้าเป็นน้ําไฟเปน็นไฟลมเป็นลมเกิดเป็นเกิดแก่เป็นแก่เจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายตามสภาวะตามกระบวนการของเขาเราะกะอยู่อย่างนี้ถ้าใครทําหรือว่าฝึกให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นประจําเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเสุดท้ายมันก็มีแช่นี้คันห้ารูปนอนมันก็มีแค่นี้เอง การเกิดกันบคือเห็นเร็วดำแรงสาหรับคนที่ไม่เห็นการเกิดกันดับเลยสภาพมันก็เป็นอย่างนี้ก <con> ็คือทุกทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกมันต้องฝืนมันถึงจะมีมันถึงจะเป็นมันต้องจะปรากฏก็อาศัยสติสมาธิปัญญานี้เลยอบรมจิตมัฉลิม ก็เรียกเด็กมาอบรมตีวงตีกรอบให้มันอยู่ตรงการและสอนเหมือนเราสอนให้เด็กเรียกเด็กมาอารมณอย่างนี้ดีนะอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําเด็กมันก็จะจําจิตของเรานี้นก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ฉช่เพราะเราไม่อบรมมันเราไม่อารมมันแต่ละวันปล่อยปล่อยมันไปธรรมชาติของมันมันก็รู้สึกรวมคิดรวงแต่งไปไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยมก้การอบรมไม่มีการเรียนไม่มีการรู้ปุงญาคือไม่มีการเรียนเมื่อไม่มีการเรียนรู้ก็หมายกับคนก็คือเสง่ายคือโง่คือไม่ฉลาดไม่ฉลาดนั่นคืออากุศลความหมายเดียวกันถ้าได้รับการอบรมแล้วคือการเรียนรู้แล้วก็การฉลาดก็คือกุศลา จิตมันก็อยู่ในสภาวะอยู่ถึงเรามาดูว่าจิตของเราถ้าอากุศลครอบงา ม, มันก็จะเป็นอย่างไรถ้ากุศลครอบงำ ม, มันจะเป็นอย่างไรหรือวางได้ทั้งกุศลและอกุศลจะเป็นการยิ่งดีกว่าคือวางไง ด, าาาางงด้ทั้งหมดนี่คำว่าคําว่าวางทั้งหมดทั้งมวลจนเหตุที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีกุล้นมันจาก ขันที่เป็นกองกองกองกองกองคืงูกนลนุนาพิทณาสยาสขันวิญญาณก็เกิดจากนี้เองก็เกิดจากดินน้ำไฟลมเปเราๆนั้นสิ่งเหล่านี้แปนเชวกําหนดกำหนดสิ่งนี้ให้มันรู้คือต้องรู้จริงรู้ตามจริงคือ ตัวตาสภาวะควาเป็นจริงของเขาเ น, เนื้อหนังบางสาเป็นต้นในห้อหุ้หมก็ดูหอ้อหุ่มเอาไว้ว่าภายในที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยตาเนื้อตาหนังแต่ถ้าไม่มีตาในตาไม่เคยฝึกอะไรเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุดทา้ายกลายเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักน่าแค่นน่าพอใจกลับเป็นธรมะนี่คือรู้เราไม่เชื่อว่าเป็นจริงไม่ใช่แเป็นน้ําไม่ใช่เป็นไฟไม่ใช่เป็นลม มันก็วางไม่ได้เพราะมันเกิดการชอบไม่ชอบมันเกิดการชอบหรือไม่ชอบก็คือเวทนาแน่แหละเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่เห็นรูปแล้วมันก็มีเวทนาคือเสวยอารเวทนาสังขารก็ปรุงต่อผลปจิบันรูปนั้นเกิดความชอบขึ้นอหรือไม่ชอบก็มาการปรุงก็เกิดขึ้นก็คือสังขารนั่นเองการปรุงเกิดขึ้นทีนี้ ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาควบคุมกํากับดูแลควบคุมมันมันก็ปรุงไปเรื่อยไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเริ่มต้นทําปรุงโอ้ตายมันก็จะปรุงก็มันไปเรื่อยมันหยุดนุดแล้วก็ไม่รู้ตัวเนาะเราไม่รู้ตั ว, วอะไรก็ไม่มีสติเพราะนั่นถ้าเราฝึกก็สติ สำคัญมากๆากกับพระว่าต้องการให้เรารู้ตัวหรือว่าพุทธิสมัว่ารู้ตัวการที่เขาเราจะรู้ตัวได้เราต้องเกิดตัวรู้มันกลับกันก่อนอยากที่เรารู้ตัวจะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาก็คือผู้รู้นั่งจะเรียกเป็นตัวมันก็น่าเกลีก็จะมีผู้รู้ขึ้นมาเข้าใจสภาวะตามความเป็น่ยนแปลงมาโอ้สภาวะจะนั้นมันเป็นอย่างนี้ นัน่คือผู้รูจรร้จะเรียบพูทโธจะเรียอะไรกันแล้วแต่มันก็เรียกว่าเป็นผู้รูร้ก็แล้วกันมื่อมีผู้ผรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาดูความไม่รู้มันก็ดับจต่เมื่อเคยการรู้เลยเกิดวิชาขึ้นมาเกิดการเรียนรู้มีความรู้ขึ้นมาในเรื่องนั้นๆใ น, นรูปหนึ่ง้าไม่ีความรู้ขึ้นมาบางเป็นที่มาของการละทอนไปว่าเป็นที่มาของสังเวชหรือสังเวช จังเวสเสร็จก็นิพพาตามมาน็นทากัวิรากมีตามม า, า, า, า, า, มมาซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงก็อนาคามีอนาคามีท่านมีแต่ว่ามีน้อยแต่มันมีผลในการดำรงชีวิตไม่ใช่อนาคามีครราคะตกเพราะนั้นราคาตะตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นๆไม่ได้ของเล่นๆหรือเพราะนันโซดาทำ ไ, ได้ ท่านโซดาบรณฑท่านยังมีครอบครัอมีภาพบมีกลัวพวก ง, ง่ายก็ยังพึ่งพาการแต่ท่านไม่ติดเสื่งเหล่านี้อันนี้เองเพราะอะไรเพราะมีสินระยะกันตะศสินเป็นเบื้องต้นถ้าจะไม่พูดเปลี่ยนตัดสินแน่นอนเด็ดขาดมีคือข้อดีแต่ว่าเรื่องการอย่างลี้ะไรการมาราักละไม่ได้ จะดิ้ป่วนทางนอนาคามีแต่สกัธาคารก็ยังไม่ได้เพราะอนาคามีก็มีเหมือนกับไม่มีัาก็เข้าก็ใจแห้งไปแต่ในนี้โดยสัญชตาตญาณได้รับการบารุงดูแลอาหารอย่างดีสัญชตาตญาณมันมีอยู่เนี่ยมนสำคัญตรง น, น, น, นรี้มันมีเตอท่านรู้มีสติมีสติรู้เมื่อมีสติรู้ก็ มันก็ไปสามารถที่จะแสดงผลออกมาได้คือตามไปตามสัญญาอารมณ์ได้คือคุ้มง่ายควบคุมได้สั่งการได้ควบคุมได้จะเรียกว่ามีหมดก็ไม่มีจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีอยู่มันยังมีอย่างพอมันอยู่เพราะเหลือจากนั้นแล้วเหลือแต่เป็นรูปแล้วถ้าต้องการไปต่อ นี่คือขั้นตอนไปนั้นที่เราฝึกอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้เราทําทลายให้เข้าใจว่าเริ่มต้น ส, สติสมาธิปัญญาเรื่องศีลไม่ต้องมนันเรื่องปริญญายกเว้นเราออกแก๊กสมกาธิออกจากการปฏิบัติแล้วมัาแสดงออกทางนิกนารแสดงออกทางวาจาหรือพูดคุยแสดงออกทางกายแสดงพฤติกรรมออกมาทางการนั่นแหละคือ ตาจะตต้องระมัดระวังจงจำเป็นต้องสมาธานเพื่อให้จิตของเราว่าเออมันจะไป็นต้องมีสินนะเหมือนต้นนะนคือกรรมที่สตินั่นแหละเพื่อให้สติรู้ว่าเออต้องมีสินนะถ้าจิตไม่มีสินมันจะเป็นยังไงมันก็อากสุนมันก็เจริญงอก mm hmm. นี่คือการพระเวลาเรานั่งสมาธิไม่ต้องไปกังวลเรื่องสินผ่านได้เลยไม่ต้องไปวนเรื่องสินถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ เาจะเข้าใจขั้นตอนว่าโอ้แท้จริงจริงก่อน จ, จิตจะดับมันเช่นเป็นสมาถานสินพเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือกายวาจาเราไม่เวียนใครมันเป็นสิลอัตโนมัติทันทีในภาคปฏิบัติจึงไม่ต้องไปกงังวลคือไม่ต้องไปมีผลปริโยชน์ในเรื่องหลอดเ้นเพราะนั้นอานิสงส์ของการปฏิบัติการนั่งสมาธิก็กกดีเดินยืนเดินนั่งก็ดีเบื้องต้นอานิสงส์ก็คือเราเป็นผู้มีสินพร้อม วนควรจะได้เป็นนมีสติแต่ประชื่อไม่มีประโยชน์นะเยินเดินนั่งปิดวาจามันเป็นสินนั้นทือนั่นคือแล้วเรามีสินนะในบื้องสีลับบาลามีให้เบื้องต้นหลังจากนั้นคือสติสมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่พราสติสมาธิปัญญาไม่มีไม่เกิดขึ้นนะ่ะจิตไมไ่รับกันรรมปล่อยปะละเลยไ ป, ยปนื่อนไปน่ มันมีขอบไม่มีเกิดมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญคือไม่รู้ออกไปข้างนอกก็ไม่รู้เพราะสติระลึกนึกขึ้นมาไม่ได้ก็ปล่อยปละละเลยไปตามธรรมชาติไปตามอารมณ์บางก็เกิดคอามสำคัญมั่นหมายเข้าใจผิดนิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นคามสับคัดผิด <c oughs> ในชีวิตในความเป็นอยู่การคำว่าสติสมาธิให้เรานึกเสมอว่าต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นคือสติเป็นรู้ยื่งปัจจุบันไม่ใช่รู้เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตคือคิดต้องคิดที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นเดียวนั้นว่ามันคิดมนปุ๊บทำอ สถิสมาธิกดเงับด you know. ับกดคมมันเอาไว้จะเกิดปัญญาจะเรียนรู้ชวนเข้าใจตามสถาบะเพราะมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราชี่อเราเหมือนกันเดินแต่พูดถึงการเดงนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆต้องมียานพาหนะจะไปเร็วไปเช้าหรือว่าเดินเอาหรือว่าวิ่งเอา ถึงถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าเดินมันก็ถึงท้าถ้าวิ่งก็เร็วขึ้นมาหน่อยพอมียานพาหนะมันก็เร็วขึ้นสักเกนงเกตดูเรารอนหนังรถหนังรถนั่งแ ล, แล้วเราจะเห็นติดล้านบ้านช่องต้นไม้ข้างทางเหมือนกับมันวิ่งจริงๆแต่มันวิ่งมันไม่ได้เป็นตัวที่เองคือรถ คือตัวเราดันขึ้นรอยชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราวิ่งตามอะไรทุก ว, วั น, นมานางัง่เจริญดูสติทำปฏิตตสติให้ระดับนึเราวิ่งตามสีทีิเราวิ่งตา ม, มเคยทันไหมไม่เคยไม่เคยทันเลยเราวิ่งตามอะไรตามโลกเคยทันโลกไือเค สมัยเราหมุนไปตามโลกเราต้องทําเราต้องรู้เรื่องโลกไม่จําเป็นเราอยู่กับโลกนี้มาไม่ใช่แค่วันสองวั น, วนปีสองปีอยู่ช่วหน้าตาปีไม่รู้กลับไปกันแล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้มันก็โดนหลอกเหมื่อนเรานั่งรถแล้ววิ่งไปเหมือนไม้กิ่งมันมาที่นี่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราก็จะเห็นชัดมากขึ้นนั่นก็แปลว่าถ้าจิตของเราเป็นสมอ ม อ, อยู่กับที่เมื่อไหร่เราเจรออิญอวัยวะไม่ได้วิ่งก็เจริญเป็นสมาธิเปิดมันไดวิ่งไปไหนใจเราต่้งห้องเราวิ่งตามขอบที่นี้แต่ว่ามันเคยตามทันเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเรื่องปฏิปทาในการดําเนิ น, ะนชีวิตของเราก็คือเส้นทางที่พระเจ้าท่านจัดเอาไวาาม้มาชิมาปฏิปทาของกางๆอันนี้คือแต่บอกว่าเาส้นสมาีิปัญญาแต่ แต่หน่าว่าใช้คำว่าสติสมาธิปัญญายิ่งเพราะมันต้องกับวันเรื่องสิงเพราะเป็นสิ่งที่อยู่แล้วเอาให้มสติเกิดขึ้นมาได้ให้มีสมาธิมั่นคงคืออารมณ์ตัวเองเราต้องมั่นคงต้องหนักนั่นไม่ใช่วันไหวไปตามสัญญาอารมณ์อารมณ์มั่นคงหนักนั่นแล้วปัญญามันก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันรถวิ่งรถหยุดรถหยุดเราก็จะเห็นตามความเป็นจริง ปัญญาตัวนี้จะถือเป็นขั้นยอดขั้นสูงสุดเพื่อสอบสองพิจรารณาตามความเป็นจริงจิตถ้ามันเข้าใจอย่างนี้แล้วบอกโอ้ถ้ามันมีสติมันเป็นอย่างนี้นะมีสติเป็นอย่างนี้มีปัญญาปัญญาเกิดมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็เริ่มหมดกุศลละโดยฉลาดฉลาดขึ้นเข้าใจสภาวะทั้งหมดทั้งวงโอ้ที่ผ่านมาแสดงว่าจิตมันโง่กึมมันไม่ฉลาดมันตามไม่ทัน แต่ถ้าท่านวางต้องจะจะเป็นกุศลและอกุศลดางเพื่ออุเปกขาได้จะเป็นการดียิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายปลายทางในการเรามีสติสมาธิปัญญาพือเพื่อเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหมดก็คือหลักไตรลักษณ์นั่นเองตอนถ้าเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์หรือไม่เห็นไตรลักษณ์ที่มันเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันไม่เห็นสักเรื่องเลย ไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจสักเรื่องเลยมันก็จะเป็นเดิมๆอยู่างนี้ตัวเถ้ากะวันเดือนปีคืนกลางวันของคืนเดือนปีโดยที่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นกิจะลักษณะเป็นอาจริงการปฏิบัติเราก็ไม่มีการพัฒนาความเป็นไปนั้นซึนะ่งบอกว่าจิตเบื้องต้นคือให้ถ้ามันยังแข็งมันยังกัดด่างมันยังหยามมันยังดื้อ ต้องอย่างน้อยที่สุดานนักถึงครัวจริงว่าจะเป็นครัวอาจารย์ดังแต่เราองค์แต่ลราทอนแต่ที่สำคัญนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจ้าผ่านสิ่งเหลานี้มาทั้งหมดในการบรรเพ็นบารย์ยิ่งกว่าเราเราถือว่าน้อยแต่ที่วันวันหนึ่งเราทําไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับวันเดือนปีที่มันผ่านไปกานพ้นโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ไปอย่างอะไรเลย เวลาเรียกแบบซึ่งเวลาที่นอยู่หรือเท่าไหรไม่รู้ต้องบอกต้องสอนมันให้ใหจิตมันจำให้จิตมันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้าเวลาที่อยู่มันไ ม, ม่ได้เยอะเกิดไปคิดว่ามันเยอะเอปีิ EP, จะได้ไม่ระมาดเพาจะได้ฟุกสติมีสมวัตถิจนเกิดปัญญาเมือ่อสติ สมาธิปัญญาเข้มข้นมากขึ้นนั่นคือเป็นที่มากกว่าพุทชชององการตระสรู้การเดียนเมื่อเจ็นมันเข้าใจสิ่งเหล่านี้สภาวะถ้าเรียกว่าจิตมันเหนือสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าพ้นพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากรูปพ้นเข้าใจความหนึ่งไปของรูปโดยธรรมชาติต้นต่อที่ท้องจริงคำวา่าโลกเกิด แยกเป็นอย่างอย่างอย่างไปเขาก็อยู่กันประกอบมาเป็นขันเป็นกองก็อยู่กันอย่างนี้วันหนึ่งถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาก็กลับไปสภาวะของเขาต่วจิตก็อยู่ในสภาวะของจิตก็จิตไม่เคยตายมันตายจะเป็รูปทีเราเข้าใจวันต่างรูปมันสลายไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจิตมันเรียนรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่กลัวต่ า, ตา จะมีความตัวเพราะว่ามันไม่ตายจิตมันไม่ตายร่างกายมันแต่สลายไปเฉยๆจิตมันไม่ตายมันเข้าใจตรงนัง้นมันจะไม่มีความกลัวพูดยังไงคือไม่มีภัยนี่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทาท่ายอย่างนี้พระพิษุก็ตองเราจะเรียกองนั้นว่าพิกษุหรือพิโคแปลว่าผู้เห็นภัยแต่เราเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้คือภนะัยไหมไม่ใช่ภัยในธรรมดาภัยในวัฏฏะสงสาร ที่ต้องมาเรียนวายตายเกิดโยนนี่เรียกเป็นไผ่พราะธาตุพิสุก็ตามตเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเราจึงเรียกว่าเป้าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารแต่ถ้าเราเป็นพี่กูยังไม่เห็นภยัยคือไม่เห็นว่ามันเป็นภัยตรงไหนมันเป็นสิ่งน่ากลัวตรงไหนก็มองย้อนหลังไปเป็นพันๆปีเ น, พ น, พนเพราะอะไรตัทงได้มาเป็นอย่างนี้เพราะอะไร ก็พราะว่สติสมาธิปัญญามันน้อยมันก็เลยไปเป็นไปตามสัญญาอารมณ์จิตมันนึกอะไรขึ้นมาเป็นภาพเป็นโมโนภาพโมโนคือพบพบคืออะไรคือภาพถ้าจิตมันมีข้องีการมาพบกับอยู่ในกามอยู่ในพวกกันไปใช้บริการกันยินดีอรู้กับพบละเอียดขึ้นมันก็พออยู่ทีสวรรค์อรู้พ ฉะนั้นผมรูปพอ ร, รูปจิตมันยังคล้องยังรูปอยู่ในอาราบอยู่ในอารูปณีอยู่มันก็ชื่อว่าคล้องอยู่เพราะมันปล่อยรูปไม่ได้ปล่อยอารมุณ์เป็นตราบใดที่มันปล่อยทั้งสองด้าทั้งรูปคือวางด้วยปัญญาด้วยปัญญาคือเริ่มต้นจากสติสมาธิปัญญาสามเรื่องมันต้องเป็นเร่องเดียวกันมันต้องเป็นสหธรรมิก เป็นเพื่อนกันที่จะช่วยกันสอนอบรมจิตของเราให้ฉลาดมากขึ้นสภาวะธรรมของเราก็เริมเจริญมากขึ้นถ้ากลับไปตั้งสติทุกครั้งค ว, ความที่เราประมาททั้งผือกาเพราะว่าเราไม่มีสติหาดสติสติมันน้อยเพราะเราฝึกน้อยเราฝืนน้อยไม่มี่การฝึก ไม่มีการผลตลเองตงัวเองคือจิตแล้วไปจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาพวกปฏิิธรรมยังอยู่เป็นสุขนี่คือตรรมะพราสดีเราใช้กันไม่ไหวพราะว่าจารย์ก็จะถือยนอันนันสบาว่าทัา้งหมดทั้งมวลนั้นไม่มีใครนอกจากตัวเราเท่านั้นสถานะอย่างนี้เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เห็นตัวเองจะเห็นคู่เห็นนามของตัวเองเนี่ยเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นในแต่ละวันในแต่ละนาทีในแต่ละเดือนในแต่ละปีมันกระจายเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นกําลังจะเป็นพลังเกิดมีความมั่นใจเกิดความมั่นคงในชีวิตกาชีวิตของเราไปต่อข้างหน้าไม่ได้อยู่กับที่หรือกลับมาที่เดิมอยู่อย่างนี้ ตั้งเป้าหมายอะไรที่เป็นการดาวน์บอลตังต้งก้าไป้องนี้อยู่เป้าหมายก็หมายคับเวลาผู้เจชี่ยวไหวไกับพานนิพพานชัดเจนอยู่แล้วคนที่ไปนิพพานนัะก็ต้องฝึกสติสมาธิปัญญาเท่าหดอกนี้จะอื่นไม่มีมันก็ไม่ได้เยอะเลยเพราะนั้นถ้าเริ่มต้นจากนี้ไปแล้วก็เริ่มต้นจะยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้มีสติสมาธิปัญญา สาอย่างสามสหายนีย่เป็นชื่อกเดียวกันเป็นเกลียวเดียวกันทำหนา้าที่เหมือนกันมันจะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นสถดท้ทายก็คืออันเดียวกันเป็นมัคคัามะคีก็คือมักมันสามคกีกันอืมหอหนทางผู้ทางเดียวไม่ได้มีมากเส้นไม่ได้มีมากหนทางมีหนทางเดียวทนั้นนะการเดินของเราเราต้องไปไวันไหวไปตามสัญญา ต, ตรงสู่เป้าหมายของผู้เรา นันคือผลนิพพานที่บูชาธันวังไว้จาบไป้รันตาทุกคนเริ่มต้นฝึกตัวเองให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันอย่างน้อยที่สุดก็คือให้เป็นกุศลไว้ก่อนเกิดมาฉลาดไว้ก่อนอย่าให้มันโง่คืออกุศลความงานทำง้อเมาื่อใดก็ให้รู้ทันทีรู้คือสติสติมันก็จะรู้ที่ทรู้ ท, ที่มันก็จะ มันก็จะวางลงวางลงอย่างนี้แต่ตอนนี้เราไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้มีแต่จับมีแต่ถือมีแต่แบ่งมีแต่หรเราไม่เคยวางเอาเราไปส่วนเหล่านี้เลยก็เพราะมันอักขระสนมันไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดมันไม่ฉลายเพราะเราให้อารมณ์เราไม่บอกมันก้ไม่สอนมันเพราะนั้นตายยามันฉลาดก็ต้องสอนมันทุกวันโดยการยืนเดินด น, นั่งนอนด้วยความมีสติความมีปัญญานนเพราะสติก็อยู่ที่กลางใจ เราสติประฐานทางกขสติอยู่ที่กายเนี่ยกายคือดินน้าไฟลมกายเวทนาอยู่ที่ความรู้สึกที่มันเสวยอารมณ์คือสุขทุกข์เฉยๆนี่คือความเบียดการเวทนาจิตจิตมันต้องฉลาดถ้ามันสลาดมันมนก็ต้องรู้จักว่านี่ทุกข์นี่สุขนี่เฉยๆเป็นสภาวะเป็นสภาวะเฉยๆมันไม่ได้สะดวกติดแค่เป็นสภาวะการเวทนาจิต ทำเพราะว่าเราหาดการวิจัยคือสอดส่องดูแลพิจนารณาค่อยควรในสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่รู้คือไม่มสติไม่มีสมาธิคือไมีมความหนักนั้นไม่เกิดปัญญาใดๆเลยจากการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสติปทานคือทางของสติมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้แยกเลยเวลามากกันเกิดขึ้นมันไม่ได้แยกว่าอันนี้คือกายอันนี้คือเวทนาอันนี้คือจิตอันนี้คือธรรม เราคนเราดูจริจงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันมันก็โฉวหัพอวางวางทั้งหมดไม่ใช่วางแค่รูปนอนหรือจิตหรือธรรมตัวใดตัวหนึ่งคือมันวางมันก็วางทั้งหมดข้ออันที่ยิ่งเดียือดหมดทั้งหม ด, หม ด, หม ด, หมดเป็นฐานฐานของจิตคือที่ตั้งของจิตถ้าจิตมันที่ตั้งขนงสิ่งเหล่านี้มันก็ถ้ากับจิตออกไปข้างนอกไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้ซคือมันได้ประโยชน์ไปอย่างอะไรเลย่างนี้ อันนี้คือฐานของสติเ่ิงเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะนั้นให้เราฝึกอย่างนี้ในชีวิตประจาวันให้มีสติสมาธิปัญญาอยู่เสมอเพื่ออุรมจิตสร้างสมรรมจิตจิตขอเราได้รับเกอบรวมแล้วมันก็เรียนรู้คือคนฉลาดจริงจริงเราก็จะก้าวหน้าจะเข้าใจสภาวะทั้งหมดทั้งปวงพระนั้นกาสอนก็ผู้เจโดยตรงมันก็ไม่มีอะไรมากมายมนี แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีกําลังพอกําลังของเราคืออะไรคือสตงคือความเชื่อกําลังของเราคือความเพียรความเพียรเรายังไม่ถึงความเพียรยังไม่พอสติมันมีแต่ไม่ต่อเ น, นื่องสติทก็มันมีอยู่มีสติแต่มันไม่ต่อเ น, นื่องช่วงๆสติสมาธิมันไม่มั่นคง แล้วก็มันไม่เกิดเป็นวาคือไม่มีการเรียนรู้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นกําลังผลักดันของเราให้มีกําลังมากขึ้นเรียกว่าเรียว่าละก็คืออินทรีอินซรีคือก่อเป็นไรอันเดียวกันเลยนะเป็นตัวเร่งเป็นตัวประกอบในการปฏิบัติของเราจะได้ผลไม่ได้ผลก็อยู่องค์ประกอบเหล่านี้นือค่ะ เรมีสรัทเออชื่อว่าเออทำสมาธิเออมันดีมีผลแต่ไม่ทำช่วยอย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่ทําคือไม่มีความเพลินไม่ลงเลยไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนเก่ียวเฉยๆแล้วสติมันจะมาจากไหนสติไม่มีสมาธิมันจะมาจากไหนปัญญาขมันเนยมันไปเป็นขบอนเลยทีนี้เพราะนั้นสามคำนี้จริงถือว่ามันเป็นสหันมันเป็นเพื่อนกันมันทํางานร่วมกันมันขาดอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้ ให้ก็ใดคนหนึ่งทำาที่มันต้องไปด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันมันถึองจะเป็นกําลังก็เรียกว่าพลังพลังถ้าใครอยากทีพลังก็เดินอยนพิจารณาอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งกลางหน้าอีกที่เราก็จะเจริญกันคูสนาดขึ้นรู้จักกันอย่างนอ้อยก็ละถอนปล่อยวางเล็กน้อ ย, อยก็อย่างดีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมัน พ, พุ่งตึง อย่างน้อยรู้เท่าทันเบื้องต้นก็ยังดีเรียกว่ามีสติอย่างี้ยแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันมันเลยเนี่ยเรืงไม่มีสติเลยโอ้นี่ลำบากอ่ะการคิของการของจิตใจควาลคิลําบองเพราะนั้นมันก็จะตามไปตามความคิดไปเรื่อยไปตามคำพูดก็จะพูดไปนรือยไปตาการกระทําก็จ ะ, จะแสดงออกก็ไปเรื่ยไม่มีสติไม่มีสตินี่เป็นอยู่นี่ผู้คนที่ลาขาดหลักในการปฏิบัติ ท้ายปลายทางก็คือถ้ามาได้อะไรเลยไม่ทําอะไรผมไม่เป็นไรแต่ท่าก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับมีอะไรคุ้มครองตัวเองเลยไม่มีอะไรรักษาตัวเองเลยสุดท้ายก็ <l> เหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังทุกวันที่เราเสกข่าวก็นทุกวันเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตเลยคือจิตไม่ฉลาดเลยมันถึงไม่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ตกเป็นธาตของตันหา เป็นที่มาขงความบาดทุกข์นั่นเองนั่นคือผมของการไม่ฝึกไม่หัดอุโรมจิตพัฒนาจิตการตัวเองมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็พวกเราทั้งหลายก็ได้ยินมาฟังแล้วก็โอปพรนัยโยน้อมกล้าตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดนี่คุณของพ่อแม่ครูอาจารย์กว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์แต่ละองค์แต่ละรูปแต่นามไมีธรรมดาแต่อย่างน้อยที่สุดคือเห็นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เอาไว um ้ดีที่สุดถ้าลองเรามาคือครบาอาจารย์เป็นปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบจะไมีอีกเลอวอยากไม่อีกแล้วส่วนทในของไม่ดีอย่าไปสนใจเลยที่เป็นอาคุศลจะปล่อยให้จิตของเราเป็นอาคุศลไปด้วยนไม่ใช่ของดีนะก็ทาราบไปเลยแล้เกี่ยวกับเราเรื่องเขาเรื่องท่านท่เกี่ยวกับเขา ท่านก็รับผิดชอบของท่านไปรับผิดชอบความคิดกคำพูดการทําของท่านกันไปพวกนี้คือรับกรรมของท่าไปกรรมของท่าน ไ, ไ, ไ, านไม่ใช่กรรมของเรากรรมของเราก็คือเราสามารถที่จะเลือกแยกแยะคัดกรอกได้พัฒนาคนนี้ได้แต่นั้นวันนี้ก็ขอนขอนุโมทนาการบอกทุกคนคือตั้งคิดตั้งใจมาไม่ฝนตกฝ่าลมเตลี่ยนมาเป็นเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็ขออนุโมทนา แต่ก็เอานี้เป็นฐานเป็นกำลังเป็นพลังเพื่อจิตของเราเกิดกำลังเป็นพลังเพื่อหนุนส่งจิตของเราให้สูงขึ้นที่ขึ้นเจริญขึ้นขอรองถนาได้มีความเจริญทั้งทางโลกและตามสามทุกคนทุกท่านเถิด